ความจำของสมองถ้าเราไม่ฝึกความจำเฉลยนะ่ะไม่ได้นะตามใครเขาอ่านหนังสือมันต้องดูอมันเรื่องเขาพูดเรื่องราวอะไรมันเป็นการฝึกสมองในตัวเพราะนั้นคนเราต้องฝึกฝึกสมองฝึกความจำในการอ่านนั้นๆเพราะนั้นต้องอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ30นาทีเพื่อไม่ให้อันชัเมอร์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 ไปมากกัสอดสอดสอดเข้าไปเต็มโคนขาเขามันมไปไม่ได้เลยนนะเราไปจับหางเอาเลยไ ป, ปหาจับแก้งไปหาจับยากอะไรจับกระจงหลวงพ่อเองเป็นเด็กน้อยอ้าปากบอชเข่าถาเข่าถาเข่าถาพอใหญ่ขึ้นมาโอ้ยมันคนละเรื่องกันวันะเพื่อนเนี่แหละมันมันเป็น ม, มีเหตุผลนะเขาค น, คนโกหกนะเขาก็มีเหตุผลของเขานะัอนเพราะนั้น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 ในพระ อ, องค์ท่านผู้มีคุณูปการต่อมีผู้มีอุปกระคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเราเป็นพระศกนิกรทั้งหลายให้ช่วยๆกันแสดงออกซึ่งน้ำใจนั่นแหละผ่านเป็นผู้ทาคุณูปการเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกรณก่อนพวกเราไม่ต้องบรรยายมากหรอกเดี๋ยวนี้สมัยก่อนสมัยท่านเป็นหนุม่ม ในหลวงของเราพระบรมราชาชินีของเราจะเด็จไปทุกหัวละแหง่งไปดูน้ำดูที่ไหนต่อที่ที่ไหนที่ชนประทานอยู่อย่างไรประชบนิกรในกลุ่มนั้นสมควรเขาจะทำอะไรนะท่านก็ดูแต่ปัา น, นี้ท่านอายุมากแล้วเหมือนกับปูเหมือนกับปูกับยากปูทวดของเราอายุ80บแล้วมีแต่นั่งคอยผลงานของลูกของหลานท่านันเองท่านเอง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 เข้าฌานสมาบัติพระอนนท์เห็น <c oughs> ทั้งห้าอย่างเห็นพระทิศเห็นพระจันเห็นพระราชาเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระรหันพระอนนท์เห็นแล้วก็ปรีติ เ, เห็นสิ่งทั้งห้าอย่างก็ได้ไปกราบพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์เห็นของห้าอย่างวันนี้เห็นแล้วรัตจมีหรืกว่า